มีวิชาช่างอยู่หนะลวงพ่อว่านะอย่างน้อยก็ขึ้นเอาลังนกนางแอนนะ่นเนี่อที่สามารถที่จะทําบันไดขึ้นบนภูเขาไดนะ้ถ้าคนไม่ทําคนไม่ใช่ช่างเนะี่ยคงทําไม่ได้อย่างลหลวงพ่อเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่ท่านตรงเก่งฮนะท่านเจดอง์ท่านก็นตัดไม้ไผ่ไม้แห้งฮนะ อ, อพอตัดไม้แห้งมาท่านก็คาดเอาเชือกคาดเป็นสะโพ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 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็สะปาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมากันํามาปฏิบัติแต่เนีสมถะเข้ายังไงวิปัสสนาเดินยังไงผัวนีสุดคืนนะนะั่นอ่ะคืนแรกองค์หนึ่งได้สําเร็จเป็นพระรหันธ์ได้สาเร็จนะพอได้สําเร็จเป็นพระรหันธ์ท่านก็เหานะเลยต่เหาแสดงฤทธิ์เหาะไปหาบินไปบินธบัติพอบินธบาตมากับมา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 พอยอดเขาจากนั้นก็ต่างองค์ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเลพรทันมุ่งมั่นที่จะชำระกิเลสพอไปอยู่สวรรค์แล้วก็ลงมาพระพาหิยะจะมาเกิดออพอมาเกิดแล้วก็ไปค้าในสะเพาสะเพาแตกมาอยู่ในฝั่งแม่น้ำฝั่งทะเลเเ อ, อากนั้นก็ได้ทำตัวเป็น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 จะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดอย่างนั้นไม่น่าจะถูกอันนี้ก็ควรจะฟังเอาไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวปักหัวปำนะั่ะเป็นหมูเทวทัด์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นต้องฟังอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะเราไม่ได้เกิดในครั้งกระโน้นนะอ่านท่าเลย